ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาในชุดคู่มือจำเป็นสำหรับการศึกษาและปฏิบัติเป็นตอนที่แปดในวันนี้ อาตมาจะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าวิธีการใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์แก่กิจการในบ้านเรือนในบ้านเรือน <c oughs> ฟังดูก็แปลกดีในบ้านเรือนในที่นี่หมายความไม่หมายความว่าไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะโดยตรง แต่จะเอามาใช้ในบ้านเรือน <c oughs> ในการประกอบอาชีพในการดํารงชีวิตในการเยียวยาแก้ไขปัญหาอย่างบ้านเรือน ร, รูภัยไข่เจ็บเป็นต้น <c oughs> ข้อนี้มันมีปัญหาอยู่บางอย่างคือคนโดยมากไม่ยอมเชื่อว่าธรรมะอันสูงสุดในพระพุทธศาสนานั้นจะเอามาใชา้ได้ ในบ้านเรือนหรืออย่างธรรมดาสามัญมีคนเคยกล่าวกันแนะกันแหนด่านั่นแหละพูดกันตรงๆว่าอาตมานี่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในเรื่องบ้านเรือนซึ่งไม่ถูกหรือผิดหรือจะเป็นวิชาทิฏฐิไปเลยเช่นว่าอริยมรรคมีองค์แปด ไม่อาจจะเอามาใช้ในเรื่องบ้านเรือนมีแต่สําหรับจะไปนิพพานเท่านั้นทศมาก็บอกว่าโอ้ยิ่งกว่านั้นอีกโทษชงเจ็ดที่ทำให้ตรัสรู้นั่นแหละเอามาใช้ในบ้านเรือนทำไรทำนากันได้เี่นี่ก็ได้พูดกันมาเดี๋ยวนี้คอยอยังชั่วรลดลงล ด, ลดผู้พัดค้านลงไปได้มาก เดี๋ยวนี้ก็ยังจะพูดต่อไปว่ามันใช้ได้อยาได้เข้าใจไปถึงว่าไอธรรมะชั้นสูงที่ไปบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นจะมาใช้ในประโยชน์ทั่วไปไม่ได้เอามาใช้ได้เอามาใช้ได้าาไดูดเองเถิดความเพียรหรืออิทธิบาทหรือพละหรืออินทรีเหล่านี้ ซึงเป็นโพธิปักทีย์ธรรมนั่นแหละเอามาใช้ได้ที่บ้านที่เรือนแม้จะทำไรยทำนาถ้าประกอบไปไทำเหล่านี้แล้วก็ทำได้ดีมีผลดีเราจะต้องรู้จักนำมาใช้ให้ถูกเรื่องแล้วมันก็ใช้ได้อยากจะยกตัวอย่าง ว่าในของวางอย่างที่มันมีค่ามากถ้าจำเป็นจะต้องเอามาใช้ยอย่างของมีค่าน้อยหรือไม่มีค่ามันก็ได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้สมรติรพลอยแพงมาก เราจะเอามาใช้เป็นกระสุนยิงหนังสติ๊กไม่ได้เลยถ้าเอามาใช้มันก็ได้ทําไมมันจะไม่ได้เนี่ยเพอาจแต่ว่าจะเอามาใช้หรือจะไม่ไม่เอามาใช้แท่นั้นแหละหรือว่าทองคํานี่ถ้าไม่มีเหล็กก็มาจะเอาใช้ทําลูกกระสุนบรรจุกระบอกปืนยิงคนได้หรือไม่ได้มันก็ได้เหมือนกัน นี่จะต้องรู้ไว้ว่าถ้ารู้จักใช้แล้วมันก็ใช้ได้ป่างขวางเนี่ยเพียงแต่ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หรือมันสงวนไว้แล้วใช้อย่างอื่นดีกว่า <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ถ้าจําเป็นอ่ะมันก็ต้องใช้ได้สําหรับอานาปานสตินี่เอามาใช้ได้ยังไม่ฟื้นไม่ฟื้นความรู้สึกหรือไม่ฝื้นเหตุผลอะไรเลย เอาเรื่องอานาพานสติมาใช้กับกิจการบ้านเรือนทั่วไปกี่เรื่องกี่เรื่องก็ได้เยจะได้บรรยายกันไปตามลําดับ <c oughs> เอาเรื่องไปนิพพานมาใช้ในการทํานาก็ได้นี่อย่าว่าจะเรื่องอานาพานสติอส่วนหนึ่งเลย <c oughs> ใช่ โคดช่วงเจ็ดธรรมวิสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัททิสมาธิอุเบคาเจ็ดประการนี้มาใช้เรื่องทำนาก็ได้ว่ากันย่อๆว่าสติข้อแรกระลึกถึงเรื่องที่จะต้องทำนาจะต้องหานา้ำหาท่าหาข้าวหาพืชหาอะไรต่างๆให้ระลึกลก็เลือกเป็น ทรมวิจยะเลือกที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดมันก็ใช้ความเพียรทำลงไปแั่นก็มีปีติต้อเราให้เกิดกําลังใจในการที่จะทำอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสงบรังงับข้าวรูปข้าวรอยเป็นปัสสัทธิมีสมาธิในการกระทำถึงที่สุดแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะออกเป็นรวงข้าวมา สติธรรมวิจยญวิริยะปีติปัสส ธ, ธิสมาธิอุเบคาโคจงเจตธรรมชาติทำนาในเรื่องปิฎพานน่รมชาติในเรื่องการทำนามันก็ได้ถ้ารู้จักใช้เดี๋ยวนี้จะพูดเฉพาะเรื่องอนนาปานสสติซึ่งได้บรรยายมาโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนก่อนว่าทำกันอย่างไร จึงจะเป็นอานาปานสติที่สมบูรณ์แล้วก็ใช้ได้สารพัดอย่างในชั้นแรกนี่เราจะต้องนึกถึงประวัติในความเป็นมาของคำว่าอานาปานสตินี้กันเสียก่อนว่า <c oughs> มันมีมาตั้งแต่เมื่อไร <c oughs> ในอินเดียมีระบบจัดการกับลมหายใจแบบ โ, รโบราณ น, นานที่สุดเขาเรียกกันว่าปราณายามะปราณายามะตัดบทเป็นปราณอาญะาแปล ว, ว่าการควบคุมบังคับลมปราณลมปราณคือลมหายใจ ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยเป็นคนป่ามนุษย์รู้จักจัดการเกี่ยวกับลมหายใจทำอย่างไรจะได้รับประโยชน์ที่สุดแล้วระบบนี้ก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขามาเรื่อยๆมาดีขึ้นดีขึ้นกว้างขวางขึ้นละเอียดละอออกไปเป็นปราณายามะปราณายามะ ขั้นมาเป็นลัทธิธรรมะละัทธิาศาสนาก็ใช้เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นของการทำสมาธิค mm hmm. วบคุมลมหายใจเป็นเบื้องต้นของการทำสมาธิโดยการทุกลัทธิแม่ว่ามันจะต่างกันโดยวิธีเล็กๆน้อยๆแต่ใจความมันเหมือนกัน mm hmm. คือการควบคุมลมหายใจให้เกิดผลตามที่เราต้องการ มันอยากเข้าใจว่ามีแต่ในพุทธศาสนาในลทัทธิโยคโยคีลทัทธิใดใดก็ตามก็ใช้ปรานายามะเป็นพื้นฐานเป็นหลักการพื้นฐานหรือว่าเป็นบุพ ภ, ภาคแห่งการกระทำนี่เรียกว่าเรื่องลมหายใจนี่รู้จักกันว่าจะดึกดำบัน รู้จักใจเป็นประโยชน์เท่าที่จะทำได้จนมากลายเป็นเรื่องทางธรรมทางศาสนาเป็นสมาธิที่เป็นบารฐานของวิปัสสนาจนกระทั่งเป็นตัววิปัสสนาเสียเองเป็นอาณาปานาสติสูงสุดเป็นวิปัสสนาเสียเองก็รู้ธรรมะอันสูงสุดได้นี่เรียกว่า าการใช้ระบบลมหายใจให้เป็นประโยชน์นี่ได้ใช้กันมาแล้วตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงสุดโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาเป็นอาณาปานาาสติสิบหกขั้นแล้วก็ได้ผลเป็นมรรคผลนิพพานดังที่ได้บรรยายมาแล้วโดยพิสดาร ทีนี่เราก็จะต้องมาดูกันบ้างในแง่ของธรมรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆลมหายใจ <c> ้ <oughs> มันเกี่ยวข้องกันกับระบบกลไกต่างๆในร่างกาย <c oughs> การจัดการลงไปที่ลมหายใจมันจะมีผลเนื่องกันไปถึงอะไรก็ได้ที่ ที่จะก็ามาันเนื่องกันแลว้วก็มากมายเสียด้วย <c oughs> ลมหายใจเนี่ยมันจะขับไล่ความรู้สึกเลวร้ายใดๆออกไปได้เมื่อกลัวขึ้นมาอาเมื่อกลัวขึ้นมาคอยลองหายใ จ, จแบบอนาปานนต ร, รีชาช้าละเอียดละเอียดเสียดีมันจะขับไล่ความกลัว ให้หายไปรูมปรม้มันประมามันประมาประมาจนทำอะไรไม่ถูกอ่าก็กำหนดลมหายใจดีๆทำให้ถูกต้องทม ว, วิธีเดี๋ยวความประมาก็จะหายไปอาตมาได้เห็นเป็นครั้งแรกแล้วก็สะดุด ตาแล้วก็ติดใจจำได้กระทั่งวันนี้คือนักพรตญี่ปุ่นนักบวชญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเชิญมาบรรยายปาธกถาเรื่องพุทธาศาสนาในประเทศญี่ปุ่นที่สามัคคยาจารย์ <c oughs> ยุคเก่าๆ <c oughs> แกออกมาแกขึ้นไปบนเวที <c oughs> ไปยืนนิ่งอยู่ที่หน้า <c oughs> ไมโครโฟนนะนิ่งอยู่ไอ้นี่สรงเสนอนี้แกทําไมแกจึงนิ่งเหมือนเป็นบ้าเป็นบ้ายอย่างเนี้ยตั้งสองสามนาทีจะตั้งห้านาทีแล้วึงค่อยพูด <c oughs> <c oughs> เห็นได้ชัดว่าเป็นการสํารวมที่ดีที่สุดแล้วก็พูดได้ดีที่สุดเนี่ยความประมาะคงคงจะประมาแล้วก็หายไปขับไล่ไปโดยการหายใจที่ อย่างถูกต้องวิธีนี่เรื่อขับไล่ความประมาทธรรมชาติมันก็สร้างมาอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อเรารู้สึกโศกเศร้าอัดอั้นปันใจมันก็มีการถอนหายใจใหญ่ไม่สังเกตเห็นบ้างการถอนหายใจใหญ่นะี่มันถอนได้เองนะมันเป็นได้เองนะ เมื่อสิ่งต่างๆมันขัดข้องในภายในร่างกายมันก็จัดการข้องมันเองถอนหายใจใหญ่ให้ยาวให้คล่องความอึดอัดความขัดแค้นความจะร้องไห้มันหายไปยลมหายใจมันมันช่วยแก้กันได้อย่างนี้ดังนั้นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมนุษย์โบราณจึงได้รู้เรื่องนี้มาก ได้ลมหายใจแก้ปัญหาในการเป็นอยู่อย่างสบายนะหรือให้เด็กมันจะร้องไห้หรือเด็กมันจะสะอึกนี่เอาให้มันหายใจยาวๆหรือหายใจแบบอนาปานะสติเดี๋ยวมันก็หายนะมันก็สบายนะรู้รู้เรื่องธรรมชาตินะสร้างกันมากําหนด ก, นกันมาอย่างนั้น ถ้าว่าเลือดมันออกมากหายใจให้ละเอียดบังคับลมหายใจให้ละเอียดค้าเลือดมันก็จะออกน้อยหรือบางทีมันอาจจะหยุดไปเลยนี่เรียกว่าเขารู้เรื่องลมหายใจกันมาตั้งแต่ดึกดําบันตั้งแต่มนุษย์ยังจะเป็นคนป่าอยู่ก็ได้บังคับลมหายใจโดยวิธีต่างๆต่างต่ากันมาสืบกันมาจนถึงยุคพระพุทธเจ้านี่ แล้วก็าใช้กันทั่วไปหมดใช้เป็นการอิทธิฤทธิสมาธิเหะเฮินเดินอากาศอย่างพวกยักษ์พวกมารในหนังสือเรื่องจกัจกจักวงวงนี่บริกรรมคาถาแล้วก็เป่าไปสามคาบลุกขึ้นรบได้อีกใครไม่เคยอ่านบ้างในหนังสืออย่างนี้ <c oughs> นี่มันเกี่ยวกับลมหายใจทั้งนั้นเป็นมตนขับไล่ความขี้ขลาดความไม่ความไม่กล้าหาญความไม่ส ง, ง่าผ่าเผยความอะไต่งางๆเนี่ยขับไล่ออกไปอ้าวทีนี้เราจะมาใช้ในการทำงานในหน้าที่ ทอนเหนื่อยขึ้นมาลองหายใจยาวทอนหายใจยาวมันก็หายหายหน้าเหนื่อยก็อะไรลองหยุดทอนหายใจยาวแต่พักก็หายหทำการทำงานรว่าจะทำอะไรให้ดีก็ทอนหายใจยาวนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกเรื่องที่เคยจำได้นึกไม่ออกก็ทอนหายใจยาวนั่งทำสมาธิทอนหายใจยาวเดียวเันนึกออกเลย มันเป็นการปรับระบบต่างๆภายในร่างกายให้มันเข้ารูปให้มันถูกต้องมาที่การงานจึงใช่กันทั้งในทางศาสน า, ศาและทางไสยสาศาสตร์อาาปานสติของพวกอื่นก็มีไม่ใช่มีเฉพาะของพวกพุทธจนกระทั่งมันกลายเป็นไสยศสาศสตร์ไสยศาสตร์เวทมนต์คาถา การไล่มนี่ก็ต้องบังคับลมหายใจก็ต้องพ่นไปเป็นคาบคาบให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์มันก็ได้ผลเป็นเรื่องทาง จ, จิตใจนี่เป็นเรื่องธรมธรมชาติธรรมชาติเกี่ยวข้องกับธรรมชาติมาแต่ดึกดำบัรพจึงรู้จักลมหายใจว่ามันเกี่ยวข้องกับ ระบบประสาทความรู้สึกความคิดความนึกนกลไกต่างๆในร่างกายตับไตไส้กรูม <c oughs> มันก็เกี่ยวข้องกับลมหายใจ <c oughs> พูดแล้วมันก็ว่ามันแกล้งพูด <c oughs> ถ้าถ้าคุณถ่ายไม่ออกจะเบ่ง ก็ต้องปรับปรุงลมหายใจให้เหมาะให้เหมาะพอเหมาะแล้วก็เบ่งเ บ, บ่งก็อุจรารออกมานี่มันก็ใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาได้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างทำไมไม่ขอบคุณปราณายาะคือการบังคับลมหายใจกันเสียให้ถูกต้องยิ่งรู้จักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใชใ้เป็นประโยชน์ได้มากเท่านั้น ที่เด็กๆ เ, เขาเสอื่นเสะอื่นร้องไห้เสือื่นนั่นจำเป็นที่สุดที่จะต้องาำอย่างนั้นเพื่อขับไล่อารมณ์ร้ายขับไล่ความผิดปกติให้มันเข้ารูปการร้องไห้เสือึกเสะอื่นนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องผลร้ายแต่เป็นเรื่องผลดีที่จะขจัดความไม่ถูกต้องความไม่เป็นระเบียบอะไรมันเข้ารูปเข้ารอย นี่เรื่องของลมหายใจมันเป็นไปได้มากอย่างนี้ออาทีนี้จะมาดูกันให้ละเอียดให้ชัดเป็นเรื่องเป็นราวไปทีเดียวว่ามันจะทำอะไรได้บ้างพูดตัดลัดสั้นเลยถ้าอยากจะสงบเดี๋ยวนี้อยากจะสงบกายสงบใจสงบอะไรเดี๋ยวนี้นะี่ ก็มานั่งซ้ำรวมลมหายใจให้ละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงมันก็จะสงบเดี๋ยวนี้ถ้าต้องการความสงบเดี๋ยวนี้สงบกายสงบใจแล้วก็ตามออลมหายใจทําให้สงบให้สงบเดี๋ยวกายก็สงบพอกายสงบจิตก็สงบฉันอยากจะสงบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหายาเยอะเลยมากินที่ไหน ทำลมหายใจให้ละเอียดให้สงบให้ระงับเป็นลำดับลำดับลมหายใจสงบกายสงบกายสงบจิตสงบโดยอยู่วยความสงบเดียวนี้มีความสงบได้เดียวนี้แต่อาศัยการกระทำทางลมหายใจทีนี้อยากจะพูดอีกํำนวนหนึ่งว่าอยากเป็นพระเดียวนี้ <c oughs> ฉันอยากจะเป็นพระเดียวนี้ <c oughs> ก็ทำลมหายใจเถอ ทำลมหายใจให้สงบให้ระ ง, งับให้เย็นเป็นพระแท้จริงออกมาทันทีไม่ต้องหวดไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องนุ่งผ้าเหลือนะอยากจะเป็นพระเดี๋ยวนี้แล้วอึดใจนี้นะ่าจะเป็นพระน ะ, ะกำหนดลมหายใจให้สงบให้ระงงับให้เย็นลงเย็นลงเย็นลงนั่นคือเป็นพระในความหมายที่ถูกต้อง เป็นพระดได้โดยการบังคับลมหายใจให้สงบให้ระ ง, งับให้ละเอียดเมื่ออยากจะทำงานเตรียมตัวสำหรับจะทำงานงานงานทางกายงานทางจิตงานอะไรก็ตามถ้าจะไปไถนาจะลงมือไถนาจะทานาจะไถนาเดียวนี้แล้วออกสงบสงบระ ง, งับลมหายใจเต็มที่ ร่างกายปกติระบบประสาทปกติกระธานาสนุกไปเลยแม้แต่จะเขียนจดหมายสักฉบับนขอแนว่าทําความสงบโดยลมหายใจทางลมหายใจใสักสี่ห้าครั้งสักขณะหนึ่งเธอใจคอจะปกติจะเขียนจดหมายฉบับนั้นได้ดีที่สุดนี่ว่าจะแต่งเรื่องหนังสือหนังหาที่ยัดยาวอย่างนี้ก็เคยใช้ามาแล้ว ไม่หลอกลนะเคยใช้มาแล้วมาต้องทำจิตใจสงบร่มงับนิ่งเงียบเป็นที่พอใจแล้วจึงลงมือเขียนหนังสือเขียนกี่สิบหน้ากี่ร้อยหน้าก็หา พ, พยายามหาความสงบมาขั้นไ้เรื่อยเนี่ขั้นไวเรื่อยพอรู้สึกว่าจะรวนเร็ก็ทำความสงบพอสงบแล้วเขียนอีกพอมันจะรวนเร็ก็ทำความสงบอีกเขียนอีกนี่แม่จะทำงาน จะทำงานจะทำงานก็ทำอย่างนี้กำลังทำงานอยู่ก็ทำอย่างนี้กำลังทำงานอยู่ก็ทำอย่างนี้ <c oughs> เอาทีนี้จะพักผ่อนเอาจะพักผ่อนขอบอกว่าถ้าจะพักผ่อนให้เป็นการพักผ่อนที่แท้จริงยิ่งระนอนหลับจมพักผ่อนในการทำลมหายใจให้สงบลมงับ ให้เป็นสมาธิโดยลมหายใจนี่มันจะเป็นการพักผ่อนยิ่งกว่านอนหลับที่เรานอนหลับแล้วชุ่มชื้นตื่นขึ้นมาสดชื่นนี่ลองทำการพักผ่อนด้วยการทำลมหายใจสงบลาง้อดูจะมีผลดีกว่านอนหลับทำลมหายใจสักชั่วโมงจะดีกว่านอนหลับสักห้าชั่วโมง มันจะพักผ่อนให้แท้จริงออกไปนอนที่เก้าอี้เอนๆข้างหน้าต่างกำหนดลมหายใจสงบลงงับอลไรมันพักผ่อนไปด้วยลมหายใจสงบลงงับนั่นจะเป็นการพักผ่อนดีกว่านอนหลับจริงๆมันไม่ฝันร้ายด้วยมันไม่ฝันหลามกด้วยกำหนดลมหายใจสงบอสงบลงงับพักผ่อนนี่ <c oughs> ที่เรียกว่าพักผ่อน โดยการไปดูหนังดูละครนะ่ะมันการพักผ่อนของคุณบ้ายิ่งไม่พักผ่อนนะมันยิ่งว่าพักผ่อนมันจะไปพักผ่อนที่โรงหนังโรงละครให้พักผ่อนที่ก้าวอีนอนนอนเล่นอนะ่ะแล้วก็กําหนดลมหายใจให้ละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดจนมันจะจะหลับไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ต้องหลับฝั่งให ลมระ ง, งับระบบประสาทระ ง, งับความร้อนในร่างกายระ ง, งับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรมันสงบมันระ ง, งับนี่มันเป็นพักผ่อนพักผ่กอนจะเรียกว่ายอนใจก็ได้แต่ว่ายอนใจในทางธรรมนี่เป็นการพักผ่อนที่ดีไม่มีการพักผ่อนไหนเอจะดีเท่า <c oughs> อย่าพักผ่อนในการไปดูหนังดูละครหรือรองเพลงหรือเต้นรำหรือป่วยการพักผ่อนโดยการทำให้ลมหายใจรังงับเอาทีนี่จะหาความสุขทันใจนึก <c oughs> หาความสุขให้ได้ทันใจนึกทันทีเดี๋ยวนี้ทีนี่ทำอย่างไรทำอย่างไร จะไปหาอะไรมากิ น, ม า, ม, ากนมาดื่มมากินมาดื่มมาเพก่อานเป็นสุขที่นี่เดี๋ยวนี่ทันใจนึกทาอานาปานาสติให้ลมหายใจรมงับให้ร่างกายรมงับประสาทรมงับมีความพอใจในความลำงับแลาจะเป็นสุขได้ในเวลาสองสามนาทีทันใจที่นี่นล่เดี๋ยวนี่ขอยืนยันว่า เป็นสิ่งที่ทำได้รับประกันคอยไปลองดูเลยคอยทำให้จริงจริงสักหน่อยเท่านั้นแหละจะหาความสุขที่นี่ทันทีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหายาเสพติดไม่ต้องไปหาบุหรี่ไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนอาศัยการทำจิตให้สงบระ ง, งับโดยทางร่างกายระ ง, งับ โดยทางลมหายใจระ ง, งับลมหายใจระ ง, งับกายแล้วระงับจิตไปถึงที่สุดเป็นสุขพอใจที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าจะมีความสุขกันที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็ทำได้เรื่องเมื่อพอบโชคร้ายที่เขาเรียกกันว่าโชคร้าย ความกลัดกลุ่มอะไรเข้ามาความวิตกกังวลหวาดเสียวอะไรเข้ามาได้รับข่าวร้ายได้รับโทรเลขข่าวร้ายได้รับเรื่องร้ายร้กล่าวกันลูกล้านหรื อ, อ, อทรัพย์สมบัติเจตยศชื่อเสียงเงินทองก็เหมือนกันทําให้จิตใจปัน่นป่วนเหมือนจะบ้าอยู่แล้วจงระงับมันขับไล่มันไปด้วยระบบอาณาปานสติอย่างที่เคยฝึกมาแล้วอย่างที่เคยบรรยายมาแล้ว ความรู้สึกเลวร้ายนั่นจะหายไปจะหายไปจะกลาไล่ความรู้สึกเลวร้ายเนี่นยเรื่องขับผีปีศาจออกไปด้วยระบบอานาปานาสตินี่เห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมาชาติในเรื่องบ้านเรือนในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรือนแล้วมีประโยชน์ ที่นี่ก็อยากให้เป็นมากกว่านั้นให้เป็นมากกว่านั้นไปในอีกกว่านั้นมากกว่านั้นไปอีก <c oughs> เราอยากให้เด็กในท้องได้รับประโยชน์ทาแม่ของมันไม่ง่ถ้าแม่ของมันรู้จักทาอนาพาสติทาอนาพาสติบ่อยๆเด็กในท้องก็จะได้รับประโยชน์ จะได้รับความสุขความสบายเด็กในท้องก็จะมีสุขภาพอนาคตดี <c oughs> จะได้เป็นเด็กที่คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงเข้มแข็งเฉียดเฉียวฉลาดถ้าแม่ผู้อุ้มท้องรู้จักทำอานาปานาสติอถ้าเด็กคลอดมาแล้วรู้จักสอนให้ทำอาณาปานาสติ เมื่อมันพอจะฟังถูกเข้าใจได้นี่เราได้ทำอนาปานสติเถอะมีประโยชน์ไม่ไม่ให้โทษเลยไม่ให้โทษอะไรเด็กจะสามารถบังคับระบบประสาทระบบไปกระทั่งระบบจิตใจนี่จะเป็นเด็กที่สุภาพเยือกเย็นเรียบร้อยกว่าทีนี้พอถึงเด็กวัยรุ่นมันกำลังจะบ้าแล้วเว้ยพวกเด็กวัยรุ่นนี่มันกำลังจะบ้า จับตัวมาฝึกระบบอานาปานสติให้รู้จักบังคับความรู้สึกขับไล่ความรู้สึกที่ไม่พึงปราดนนยออกไปสร้างสรรความรู้สึกที่ควรจะมีถ้าเด็กวัยรุ่นทำได้อย่างนี้นะมันไม่ต้องไปดิสโกเทกให้พ่อแม่น้ําตาไหลเหมือนที่เป็นเป็นอยู่ มันจะไม่ทำอะไรพ่อแม่นั้นตาตกเหมือนเด็กชนิดที่มันไม่รู้จักบังคับจิตได้กวรุ่นที่รู้จักบังคับจิตนี่จะช่วยพ่อแม่ได้มากช่วยทางเศรษฐกิจได้มากช่วยตัวเองได้มากช่วยอะไรได้มากทุกอย่างหลยเขาให้สอนให้มันทำอนาปานสติให้สำเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอมาถึง รุ่นหนุ่มสาวนี่มันไวไฟแล้วมันจะบ้าแล้วถ้ารู้จักทำอานาปานสติกันเส้็จบ้างแล้วมันก็ต้องไม่ไม่ต้องเดือดร้อนมากไม่ต้องหมดเรื่องมากไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปบำรุงบำาเรออะไรกันมันมากมายอะไม่ต้องวี่งตอกกังวลโดยการที่มันจะไม่สมเกียรติสมยศสมศักดิ์สมอะไรต่างๆนี่ สงบสงับจิตใจไว้ได้โดยระบบอนาปาสติจะเป็นคนหนุ่มคนสาวที่สดชื่นแจม่มใสไม่มีไฟแผดเผาอยู่ในหัวใจเป็นคนสงบเยือกเย็นนี่ที่นี่ก็พ่อบ้านแม่เรือนที่รับเอาชีวิตวัวมาหนักอึ้งลากแอกลากไห มมืก็สัตว์ที่ลากแอกนั้นลากไข่พ่อบ้านแม่เรือนรู้จักทาอาณาปานสติเถิดมันจะขับล่แอกไขทางจิตทางวิญญาณให้มันหมดไปมันเบาไปชีวิตนี้ก็จะไม่หนักไม่เต็มไปด้วยความรู้สึกถึงเครียดกดทับหนักน่วงเหมือนที่เขาเป็นเป็นกัน คนสูงอายุคนสูงอายุอายุยิ่งมากข้าวร่างกายมันรบกวนมากข้าวก็คอยรู้จักทาอานาปานสติเธอคนสูงอายุทั้งหลายอาตมาก็ต้องเรียกตัวเองว่าสูงอายุกับเขาเหมอนกันนะเดี๋ยวนี้ก็แปดสิบกว่า ก็ได้อาศัยระบบนี้ช่วยตัวเองมาโดยตลอดความชรามันจึงไม่ค่อยย่ำยีอ่ความชราไม่ค่อยเบียดเบียนไม่ค่อยย่ำยีไม่ค่อยเผาล้นมันก็อยู่ได้ด้วยความเป็นปกติอยู่มากผู้สูงอายุใช้ระบบอานาปานสติเป็นเครื่องมือต่อต้านกับความชรา ที่นี่พอถชงความชราเก่าแก่คร่ำคร่าแล้วก็ฝึกอนาปานสติไว้ดีเถิดจะได้รู้เวลาตายจะตายโดยการหายใจครั้งไหนนะมันมีทางที่จะรู้เพราะมันฉลาดในการสังเกตลมหายใจมาเรื่อยเรืย เ, ยเื่อยืเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรเปลี่ยนแปลงมาอย่างไร ศึกษาลมหายใจนั่นแหละจะรู้ว่านี่จะนี่มันกล้จะตายไปอยังมันจะกล้จะตายหรือยังายายอาจจะกำหนดได้ว่าจะตายในการหายใจครั้งไหนก็ได้เหมือนกันมันจะได้ตายดีที่สุดหัวเราะยียอความตายคนแก่ชราตายก็จบกันให้มันก็ใช้อนาปานสติตั้งแต่อยู่ในท้อง จนคลอดออกมาจนเติบโตจนผู้ใหญ่เป็นคนชราเป็นคนตายได้อาศัยอาณนนาปานสติหล่อเลี้ยงมาอย่างนี้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์มีความสดชื่นแจ่มใสเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องคือมีความ รู้มีความตื่นมีความเบิกบานพุทธบริษัทแปลว่าบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะรู้มันจะตื่นมันจะเบิกบานด้วยอะไรด้วยอะไรอะขอเสนอว่าด้วยระบบอานาปานสติจะทําให้รู้เรื่องที่ควรรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตา แล้วก็ตื่นจากหลับคือตื่นจากความโง่ตื่นจากอาวิชชาไม่ใช่ตื่นตูมตกใจไม่ใช่แต่ว่าตื่นจากหลับหลับด้วยกิเลสนั่นตื่นมาเสียได้จากความหลับด้วยกิเลสนี่ก็เป็นผู้สดชื่นแล้วก็เบิกบานวยอานาจของธรรมะเป็นบานที่ไม่ไม่โรยบานที่ไม่กลับหุบแล้วก็ไม่โรย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ถึงที่สุดโดยอาศัยอานาจของอาณาปานสตินี่เรียกว่าถ้าจะดูกันตามวัยระดับแห่งอายุแล้วอาณาปานสติช่วยได้ตั้งแต่อยู่ในท้องนะไม่ใช่ไม่ใช่หลอกกันเล่นนะถ้าว่าแม่รู้จักคำอาณาปานสติเถิดลูกในท้องก็จะได้รับประโยชน์ด้วย แล้วก็จะมีมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันคลอดออกมาเป็นเติบโตเป็นคนแก่คนชรามันจะตายไปด้วยความกล้าหารบังคับใจให้ปกติอยู่ได้ <c oughs> ทีนี้อยากจะพูดอีกสักนิดต่อไปอีกว่า <c oughs> ระบบการงานการงานที่มีอยู่ต่างๆกัน อาชีพการงานหน้าที่นั่นแหละมันทำให้เกิดเป็นวันนะวันนะขึ้นมาวันนะแท้จริงมันมีโดยอาชีพหน้าที่การงานวันนะสมมติว่าเกิดมาจากท้องบิดามารดานะั้นมันสมมติมันไม่จริงเนาะกษัตริย์พ ร, พราหมณ์แพทย์สูตรสี่วันนะนี้เพียงแต่เกิดมาจากท้องนะีมันไม่จริงอะ่ะเลิกเสียก็ได้ แต่ถ้าโดยหน้าที่การงานที่ทําอยู่ะถ้ามาทําหน้าที่การปกครองต่อสานแห่ฆ่าศึกศัตรูนั่นก็เป็นอาชีพกษัตริย์ก็เป็นวันหน้ากษัตริย์ที่แท้จริงมันจะเกิดมาจากบิดามารดานชนิดไหนก็ได้แต่มันเป็นวันหน้ากษัตริย์นะถ้ามันทําหน้าที่ศึกษาแล้วสามารถสั่งสอนนก็เป็นวันหน้าพราหมถ้ามันทําการงาน เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองก็เป็นวันณะแพทย์หรือวัยสยะถ้ามันได้สมรรถภาพต้องเป็นกรรมกรมก็เป็นวันณะสูตรมันมีอยู่จริงถึงสี่วันณนะอันนี้เลิกไม่ได้ไม่มีใครอาจจะเลิกได้เพราะหน้าที่การงานมันบังคับให้เป็น ขอให้วันหน้าแต่ละวันณนรู้จักทำอาณาปานาสติเธอมันณักษัตริย์รู้จักทำอาณาปานาสติแล้วจะทำปฏิบัติหน้าที่ได้ดีวันหน้าพราหมณ์ผู้สั่งสอนก็ว่าปฏิบัติอาณาปานาสติเธอจะสั่งสอนได้ดีให้วันณนแพทย์แพทย์หรือไวิศ ย, ยะประกอบธุรกิจการงานทั้งหลาย ก็มีอาณาปานาสติเถิดจะทำหน้าที่ของตนไ ด, ด้ดีจะเป็นกรรมกรแบกหามก็เถอะรู้จักทำอาณาปานาสติเถิดจะเหนื่อยน้อยจะแบกข้าวสารได้มากกว่าคนที่ไม่รู้จกักทำพอโยนกระสอบหนักลงไปแล้วนั่งทำอาณาปานาสติสองสามครั้งก็หายเหนื่อย มันทําอาณาปานสติช่วยหน้าที่การงานของตนได้ทุกวันณะนี่เรียกว่าวันณะทั้งสี่วันณะทั้งสี่ทีนี้ยังมีวันณะวันนะที่ไม่ค่อยจะรู้จักกันอีกก็คือวันณะคาราวาสในวันณะบรณชิตบวชเป็นนักบวชก็เรียกวันนะเหมือนกันอยู่บ้านเป็นคาราวาสก็เรียกวันณะเหมือนกันวันณะ วันวันละคาราวาสแล้วบวชก็เป็นวันณะนนับบวชร้องวันณะ น, นี่นี่มีสองวันวนันทั้งสองวันวนันเนี่ยแต่และวันวัจนจงรู้จักทําอาณาปานสติเถิดน่าจะอยู่เป็นคราวาสก็เถอะเป็นคาราวาสที่เยือกเย็น เป็นวันณะนักบวชแะยิ่งต้องรู้จักทำรรอานาปานสติจะส่งเสริมให้ความเป็นนักบวชนั้นดีที่สุดถึงที่สุดมีวันณะ้าสองซึ่งเป็นอยู่จริงและก็เป็นอยู่มากเป็นอยู่เดียกันทั้งนั้นนะ่ะไม่วันหน้าใดกับวันหน้าหนึ่งหรือว่าถ้าจะถือว่าเมื่อใดทําอาณาปานสติมันก็เปลี่ยนไปเป็นวันหน้านาคบวชก็ได้เหมือนกัน อยู่ที่บ้านทําอาณาปานสติใจสงบก็กลายเป็นวันณนะสมณนะนักบวชได้ผลดีลองดูสิอยู่อยู่เป็นคาราวาสอะรพราะทําอาณาปานสติสําเร็จก็เป็นวันนันกบวชขึ้นมาแล้ว <c oughs> นี่อาณาปานสติมันจะช่วยได้ถึงขนาดนี้ <c oughs> เอา้าถ้าจะแยกให้มันชัดๆยิ่งกว่านี้อีกนะแยกเป็นอะไรดีอะ ชาวนาชาวสวนรู้จักทาอนาปานสติเธอจะขุดดินไม่เหนื่อยจะขุดดินไม่เหนื่อยชาวนาชาวสวนรู้จักทาอนาปานสติ <c oughs> จะนี่พ่อค้าค้าขายจะไม่เป็นพ่อค้าใจร้ายขูดรีดถูบเลือด <c oughs> เพราะว่าจิตมันสงบ ข้าที่มีอาณาบานัสติจิตมันสงบมันจะไม่ขูดรีดมันจะไม่สูบเลือดข้ารา ช, ชการก็เหมือนกันแหละมันจะไม่ทำนาบนหลังราชสระน่ะถ้ามันมีอาณาบานนสติมีใจิตใจสงบมันจะได้รับความรักความเคารพจากประชาชนทั้งหลายไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ขูดรีด ไม่กดขีไม่ขุมเ้งไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบเนี่ยจะเป็นข้าราชการที่ดีเป็นกรรมกรทุกชิ้นนี้จะกวาดถนนจะล่างท่อถนนจะแจวเรือจ้างจะทําอะไรก็ตามถ้ามีอาณาปานสติทําอาณาปานสติได้แล้วจะเหนื่อยน้อยอะจะโกรธยาก ยากที่จะโกรธยากที่จะโกรธผู้อื่นยากที่จะโกรธตัวเองในกรรมกรหน้านี้มักเห็นว่ามันเต็มด้วยความโกรธขัดใจเพราะมันเหนื่อยนีแต่ถ้ามันรู้จักทําอาณาปานสติบรรเทาเหนื่อยแล้วมันจะไม่อึดอัดขัดใจมันตกนรกทั้งเป็นอย่างนั้นมันจะพอใจมันจะชื่นใจมันจะเย็นใจในการปฏิบัติเหงื่อยิ่งออกมายิ่งเย็นเหงื่อยิ่งออกมายิ่งเย็นใครทําได้บ้าง เงือออกมายิงเย็นะมันไม่เจอเงือยึงออกมายิ่งร้อนอย่างโมโหโท่โศยิ่งด่าผีด่าศางด่าเทวดาโชคจะตามันด่านะมาเคยเห็นเชฟเออิพวกแท็กซี่กับอาชีพแท็กซี่บางคนมันด่าเรื่อยไม่รู้มันด่าอะไรมันมันมันไม่ได้เปมันไม่ไม่ได้พอใจไม่ได้ตามพอใจของมันอากรรมกร ที่มีอาณาปานสติเป็นคู่มือเหงื่อจะเย็นบอกก็นหน่อยกรรมกรคนไหนมีอาณาปานสติอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเหงื่อจะเย็นเหงื่อจะไม่เป็นของร้อนเหงื่อจะไม่เป็นสิ่งทรมานจิตใจนี่ค่อยเป็นกรรมกรเย็นหืไม่ว่า มันจะเป็นขอทานเป็นคนขอทานมันจะมีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐียิ่งกว่ามหาเศรษฐีถ้ามันไม่มีธรรมะไม่มีอาณาปานสติแล้วมันก็จะตกนรกทั้งเป็นตกนรกทั้งเป็นแต่ถ้ามันมีธรรมะแล้วมันจะสงบเย็นพอใจอิ่มใจไม่มีอะไรเดือดร้อนใจ มหาเศรษฐีต้องมีภาระมากต้องบริหารเงินจำนวนร้อยล้านพันล้านมันหนักอกหนักใจ <c oughs> แต่ถ้ามันมีอาณาปานสติเป็นเครื่องระงับความหนักอกหนักใจแล้วมันก็จะเย็นเหมือนกันจะไม่เป็นโรค <c oughs> จิตรูปวิญญาณ จะจะมีความสงบมัเศรษฐีก็ตามขอทานก็ตามถ้ามีอาณาปานสตินะมันก็จะมีความสงบสุขจะเป็นนักศิลปินศินลปินมีการทีมือมีความละเอียดประณีตในการทำงานอย่างยิ่งและวยิ่งต้องมีอาณาปานสติอาณาปานสติทำให้ใจยเย็น พอใจเย็นแล้วการฝีมือจะทำดีที่สุดจะเย็บปักถักร้อยจะแกะจะสลักเลยจะร้องเพลงหรือใไ้ก็ะตังเลยศิลปินนั่นจะทำงานได้ดีเพราะว่ามันมีอาณาปานสติเห็นจะพอแล้วมั้งที่ว่าเอาอาณาปานสติมาใช้นอกวัดนะเอามาใช้ในกิจการบ้านเรือนนะคอยลองคิดดู เท่า <c oughs> ที่กล่าวมาแล้วนี่มันแก้ปัญหาได้มากมายมหาศาลเรื่องเบตเตอร์เลดเล็กๆน้อยๆอยากจะคอยสังเกตดูอีกสักสองสามเรื่องถ้ามันเกิดความร้อนระ อ, อุขึ้นมาในกายนะจะร้อดเพราะอากาศเหมือนเมื่อสองสามวันที่แล้วมาก็ตาม ทำอานาปานสติขับไล่ความร้อนนั้นดีกว่าพัดลมซะอีกแต่ว่าไม่มีใครเชื่อนะ่ะไม่มีใครเชื่อทำอานาปานสติขับไล่ความร้อนในอากาศที่มันทําให้ร้อนร้อนรุ่มไปหมดไม่เชื่อก็ลองดูถ้าทําอานาปานสติสําเร็จความร้อนไม่รุ่นนี้ไปไหนหมดไม่มีความร้อน ร้อนทางภายนอกร้อนร้อนทางอากาศนะ่นะที่มันจะร้อนเพราะความเจ็บไข้ร้อนความคข้ก็เหมือนกันเนละคนคข้จะทำอนาปานสติได้ตัวจะร้อนน้อยกว่าที่ทำไม่เป็นจะร้อนด้วยกิเลสก็เหมือนกันเนละถ้าทำอนาปานสติได้มันร้อนน้อยลงไปมากกิเลสมันไม่ก็จะคุมขีอะไรได้นักอนาปานสติจะงับความร้อน ถ้าว่าเลือดออกมากไม่ใช่ไม่ใช่แผลจะเป็นแผลชะกันหรือไม่ชะกันก็ตามแต่ว่าเลือดออกมากก็แล้วกันนะถ้าจะใ ห, ให้เลือดออกช้าเลือดออกน้อยแล้วก็จงทำอานาปานสติทำระบบลมหายใจให้ยาวให้ละเอียดที่สุดเลือดจะออกช้าแลยออกน้อยโดยที่ไม่ ไม่ต้องใช้ส่วนอื่นประกอบถ้ามันไม่มีอะไรจะประกอบจะมาใช้มานั่นแล้วก็ขอให้ใช้ประทังการไหลออกของโลหิตไว้โดยอนาปานสติแล้วจ ะ, ะจะใช้เครื่องมืออย่างอื่นด้วยกว็าตามใจเครื่องมือนี่ใช้ได้ทันทีมีอยู่กับเนื้อกับตัวไปเป็นที่ไหนเมื่อไรก็สามารถจะใช้ได้ จนยูกยาเครื่องมือแพทย์นั้นมันหาได้ในที่บางแห่งเท่านั้นถ้ามันหาไม่ได้ก็ก็ใช้เครื่องมือนี้ของธรรมชาตินี้่านาฬานสติลงให้ใจอันละเอียดอ่อนนี่จะบรรเทาการไหลออกของเลือดม้จากความดันโลหิตสูงเนี่ยธรรมาก็เชื่อว่ามันช่วยได้เท่าที่เคยผ่านมารู้สึกว่ามันช่วยได้แต่ไม่มีอะไรพิสูจน เพียงแต่เชื่อว่ามันช่วยได้ในการที่ลดความดันของโลหิตกันบ้างโดยอนาภานสตินี้อาไาเป็นอันว่าอนาปานสติภาวนาที่มีไหวสำหรับบรรลุมรรคผลนิพพานนะีฮะข อ, อยืมมาใช้ที่บ้านที่เรือนอ่ล่วงหน้าซะก่อน พร้อมให้เตรียมพร้อมที่จะไปใช้เพื่อมะผลในพานยิ่งยิ่งขึ้นไปอขอให้สนใจอา น, นาปานสติที่บรรยายมาแล้วไม่รู้จักกี่กี่ครั้งในการบรรยายชุดนี้ก็ได้บรรยายกันอย่างละเอียดมาครบถ้วนแล้วทั้งสี่จตุกะอาทิตย์ที่แล้วมาก็บรรยาย เจตุกาที่สี่ธรรมานุปัสสนาสติปฐานวันนี้ก็อธิบายบรรยายพิเศษที่จะไปใช่นอกระบบนอกคำพีนอกกระไัยปิฎกจะเรียกว่าว่าเองก็ได้ <c oughs> แต่มันเป็นการว่าเ อ, าเองที่มีเหตุผลที่พร้อมที่จะพิสูจน์ที่ใครๆจะพิสูจน์ได้ทุกเมื่อก็อไปลองดู <c oughs> ใช่ ระบบอานาปานสติแก้ปัญหาแม้จะทางวัตถุทางร่างกายหิวข้าวขึ้นมาอย่าไปด่าใครเลยทำอานาปานสติเถิดความหิวข้าวมันจะลดไม่ต้องไปด่าใครอย่างน้อยที่สุดเป็นอย่างนี้ เขาหาข้าวไม่กินไม่ทันหุงข้าวไม่ทันก็ไม่ต้องดา่ากินอานาปานสติไปพล่านมันก็หายหิวข้าวเดี๋ยวข้าวสุกเอยกินกันแล้วกั น, นมันถึงขนาดนี้นคอยรู้จักเอาไปใช้เป็นประโยชน์ด้วยกันทุกคนมันนี่ไม่พูดเรื่องอะไรพูดนอกเรื่องอาณาปานสติที่นำไปใช้นอกเรื่องนอกเรื่องจากที่กล่าวไว้ในคัมภี แต่มันไม่นอกเรื่องตามที่ธรรมชาติมันมีไหว้มันมีให้มันมีอยู่แลว้วไม่นอกธรรมชาติไม่ผิดธรรมชาติแม้ว่าจะนอกพระคัมภีร์ซึ่งในพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้แต่มาเอามากล่าวให้ฟังว่ามันเป็นไปได้ถึงอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยอย่าได้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเลย เป็นเรื่องที่ว่าถ้าสามารถกอบโกยมาได้ก็เป็นประโยชน์อันมหาศาลไม่ต้องลงทุนจักรต้างหนึ่งก็ได้แต่ก็ได้ประโยชน์มหาศาลแรงก็ชักจะไม่มีวันนี้ฝนก็คุกคามแล้วขอหยุดตีการบรรยายกันเพียงครั้งนี้เพิดโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมกันณสาทยาย ส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายให้ก้าวหน้าเจริญงอกงามสืบต่อไปในศาสนาในการระบัดนี้เถิด